เราสนทนาธรรมกับหลวงพ่อรู้สึก ด, ดีนะครับผมรู้สึกตื่นเ ต, ตื่นไงไม่รู้คือผมเคยไปสนทนาธรรมกับพี่คนหนึ่งแต่พี่พี่ท่านก็จะเก่งเก่งเรื่องเกี่ยวกับปริยัติครัคุยกันนี่แหละแล้วก็บอกว่าเออเอาราบ้างกายนี่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟผมมาประกอบอยังไงอะ่ะแต่บอกนั่นแหละประกอบด้วยน้ำและไฟเข้าใจไหมผมก็บอกว่าผมไม่เข้าใจ ผมก็ยังไม่รู้เพราะเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นรังไฟคิดให้หัวแตกสำหรับผมนะคิดให้หัวแตกมันก็มันก็ไม่เข้าใจเข้าถึงได้แต่แบบผมมาวันนั้นที่หลวงพ่อให้ดูทีวีดูตัวเองดูทีวีดูตัวเองนะครับเออเราไปเห็นทีวีแล้วก็เออเราก็นั่งดูทีวีแล่วหลวงพ่อมันก็ต้องต้องมีคนที่เห็นทั้งเราเห็นทั้งทีวี อือะไรก็ไม่รู้อะไรเนี่ยถ้าสนทนาแบบเนี้ยมันจะทําให้ผมแบบเริ่มจะมีสภาวะมีการฝึกแต่ถ้าหลวงพ่อบอกว่ามีดีน้ําลน้ไฟหนึ่งตัวรู้ไหมไอ้ยังยงี้ผมจะบอกผมไม่รู้แต่ถ้ามีให้ผมฝึกแบบเนี้ยมองไปมองมาเนี่ยแล้วยิ่งเราฝึกรู้สึกตัวมานะผมว่าผมพอจะได้บ้างแต่ผมยังไม่กะไมกะ่กล้าที่จะบอกว่าผมเข้าก <laughs> จแ จ, จ้งแล้วนี้ ผมผมไม่สามารถบูชาได้แต่ว่ามันเหมือนเราเราอ่ะหลวงพ่อถ้าจะให้ผมกล่าวนะพอพอได้นิดนิดหน่อยหอยโอเคทั้งนั้นหลวงพ่อพูดเรื่องดินน้ำลมไฟให้ให้อีกสักหน่อยหนึ่งนะไหนไหนเขาพูดแล้วครับครับคือธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นเป็นธาตุตามธรรมชาติซึ่งมันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวเช่นธาตุไฟเนี่ยคุณสสมบัติคือมันมีความร้อนความอบอุ่นใช่ไหม ทีนี้ถ้าจะรู้จักธาตุคอก็ในตัวเรามีความอบอุ่นไหมล่ะเนี่ยชี้มาเลยเนี่ยเคยปวดหัวตัวร้อนหัวร้อนมีไหมเนี่ยถ้า<ว>ร้อนรเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุไฟ่เวลาเราโกรธบ้างบ้างลมหายใจายังอุ่นเลยครับอ่าโอเคนะเนี่ยตรงเนี้ยเท่ากับว่ารู้จักธาตุไฟแล้วว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีธาตุไฟถ้าไม่มีธาตุไฟมันเป็นชีวิตไม่ได้เนาะอ่าพอรู้จักธาตุไฟว่าอ๋อความร้อนที่มันปวดหัวเนี่ยที่มันร้อนร้อนๆเนี่ยธาตุไฟหมดหรือว่าเวลาชีเนี่ยในชีมันก็อุ่นร้อนเนาะอันนี้เป็นธาตุไฟอื โอเคคร่าวๆนะอันนี้คือธาตุไฟครับทีนี้มองธาตุไฟมันเป็นธาตุตามธรรมชาติใช่ไหมความร้อนเป็นเราได้ไหมเนี่ยถ้ามองกันตรงๆนนเนี่ยทุกคนยอมรับเลยว่าความร้อนไม่ใช่เราเพราะความร้อนคือเป็นธรรมชาติหรือยมจะเห็นว่าความร้อนเป็นเราไหมเน่ยมันไม่ใช่มันเป็นธาตุธาตุเออเนี่ยเริ่มเข้าใจแบบนี้แหละว่าเออว่ะความร้อนเนี่ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นเราได้ไงเพราะความร้อนกระจายไปทุกพื้นที่ใช่ไหมตรงไหนก็มีความร้อนอ่ะเนาะ ใช่ เ, เป็นธรรชาติเกิดขึ้นจริงเออเริ่มเกิดปัญญาแล้วว่าอ๋อความร้อนไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาความร้อนที่มันเกิดขึ้นในเนื้อในหนังเนี่ยมันเข้าใจเรื่องาธาตุใช่ไหมอ๋อธาตุโอ้นี่าธาตุแล้วก็มันก็ละความเห็นผิดละสกักายติติดได้แล้วว่าไอความร้อนเนี่ยไม่ใช่เรามอามาค่อยละไปเรื่อยนะอ๋อทีนี้มาผมพูดถึงาธาตุน้ําบ้างของเหลวคือน้ําเนี่ยเอาให้พอเข้าใจได้เลยน้ําเนี่ยน้าเยิ้มน้ำฉี่น้ําเลือดน้ำหนองเนี่ยนะก็คือน้ําอันนี้พูดถึงเรื่องน้ํานะอ๋อ แล้วก็ปรากฏว่ายอมรับได้ไหมว่าน้ําไม่ใช่เราอ่ะ <S <S ถ้ายอมรับได้ก็แสดงว่าเริ่มมีปัญญาแล้วถอดถอนความผินผิดไปเรื่อยอ่ะมันไม่ใช่เราเป็นธาตุธาตุหนึ่งอ่าโอเคนี่ธาตุควายกับธาตุน้ําเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเออไม่ใช่เรามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เป็นเราด้วยนะอืไปอยู่ในน้องในน้ําเอ้ยในน้ําก็ไม่เป็นเรามันอยู่ในตัวก็ต้องไม่เป็นเราเพราะมันคือสิ่งเดียวกันเอามาถึงธาตุลม ลมตดลมเลอลมเอือกอักลมอ่างอะไรเนี่ยนะลมเป็นตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติมันเป็นเราได้ไหมอ่ะก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งอ่าซึ่งมันมีอยู่ในเนี้ยในที่มันป ร, ประกอบกันขึ้นอะนะอยู่ในเนี้ยก็โอเคยอมยอมรับได้ว่าไอท้ที่ไอ้ที่เรอ่อไอท้ที่ที่มันแบบตดอะ่ะอะไรเงี้ยหรือที่มันขับเคลื่อนเนาะระบบภายในเนี้ยอันเนี้ยอ๋อมันเป็นลมก็ไม่ใช่เราอ่าแล้วทีนี้อะไรอีกอะดินดินของแข็งดินคุณนะสมบัติคือแข็ง พวกกระดูกพวกเส้นผมพวกเอ็นพวกเอเนื้อพวกอะไรที่มันเป็นคุณสมบัติของแข็งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินอ๋อกระดูกนี่ชัดเออทีนี้เราวันนึกถึงดินเดี๋ยว่าไอ้กระดูกที่เขาเรียกว่ากระดูกเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีเป็นธาตุดินเพราะเป็นของแข็งแล้วก็ดินเป็นเราไหมอ่ะเป็นเป็นเราได้ไหมดินเออไม่ใช่เป็นธาตุแค่นิดนึงครับเออเป็นธาตุแนิดนึงเอาเมื่อรวมเป็นสี่ธาตุที่เขาเรียกว่าเป็นร่างกายเป็นกายอ่ะนะเออตกลงที่มาที่ไปมันมาจากธาต พอมันมารวมกันมันก็ยังเป็นธาตุที่มารวมกันแล้วมันจะเป็นเราได้ยังไงมันมาเป็นเราตอนไหนอ่ะในเมื่อแต่เดิมมันไม่เป็นเราอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่เป็นเราตลอดเวลาอยู่แล้วตรงนี้ก็ละความเห็นผิดได้ระดับหนึ่งแล้วว่าอ้อตกลงถ้าถ้ามองเห็นว่าเป็นธาตุมันก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเวลาร่างกายมันมีความเจ็บความตึงความหย่อนความหรืออะไรทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะนะที่มันอาการของธาตุแปรปรวนอ่ะก็ให้มีปัญญาเห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นธาตุแปรปรวน เป็นสิ่งถูกเห็นไปแล้วก็ไม่ใช่เราผมว่าหลวงพ่ออะแบบยกตัวอย่างง่ายๆหรือแบบไม่เขาง่ายๆอ่ะแบบบ้านทางผมคนใต้ก็แบบบ้านๆไปเลยเนี่ยคือมันถูกนะเอ๊ะทำไมพี่เทียนไปไหนเนี่ยให้แกมาฟังเมื่อกี้นะแกมาฟังเมื่อกี้ผมว่าน่าประโยชน์นะว่ามั น, <c oughs> นท่าๆหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นตัวเราจริงๆอะหลวงพ่อแล้วทําไมไม่เป็นอมตะล่ะออืทําไมวันหนึ่งล่างเราต้องเหนื่อยต้องเล่าเบื่อยไป เออเออเออทำไมมันถ้าเป็นเราจริงๆริเรามันไม่มันต้องเกิดแล้วก็เสื่อมนะเพราะเราแต่ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับโอ้วันนี้ผมก็ชัดแหละถ้าถ้าถ้ามีคนขยายแบบเนี้ยผมว่าผมพอจะถ้าถามผมกลับเนี่ยเออผมต้องตอบแล้วสิน้ําก็เป็นท่าท่านหนึ่งอันนี้ตอบผุดขึ้นมันจากใจนะลูกพ่อผมตอบไม้ผดมันจากใจนะไม่ได้ไม่ได้คิดเอานะมันผดขึ้นมาอย่างเงี้ย ก็อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตัวอย่างนึ่งว่าเออเวลาผมไปสนทนาธรรมได้คุยกับหลวงพ่อเไงผมก็รู้สึกเออคืนนี้ก็นอนหลับสบายแล้วแต่ถ้าถามว่าเข้าใจไม่ดินน้ําลมไฟเนี่ยเอาเอาบรรจับอักษรมาคุยกับผมเนี่ยผมยังไม่ฉลาดพอไงมคิดต่อก็หัวแตกผมก็ผมยังคิดย้ำผุดนี้ไม่ได้ว่าเออจริงๆด้วยน้ํามันก็ไม่ใช่ตัวเราดินก็ไม่ใช่ตัวเราออื เออเงี้ยหลวงพ่อทีอนี้เวลาเราฝึกสติพพมันเป็นอย่างนี้ไงเวลาถ้าสัพุทธพูดถึงการฝึกสตินะก็หมายความว่าเอ่อเขาบอกว่าให้รู้กายรู้ใจใช่ไหมอันนี้พูดถึงรู้กายก่อนก็หมายความว่าเวลามันปรากฏอะไรขึ้นมาก็ให้รู้เช่นรู้สึกมันมีความร้อนตามตัวเวลาเป็นไข้ใช่ไหมครับก็มีสติระลึกรู้ว่าอ๋อร้อนมันมีความร้อนแล้วก็ปัญญาเนี่ยจากการได้ยินได้ฟังไงมันก็เข้าไปประกอบว่าอ๋อความร้อนนี่ก็คือธาตุเองธาตุไฟเห็นไหม มันก็ถอดถอนขึ้นมาไม่ทําให้ไม่เป็นรู้สึกว่าไม่เป็นทุกข์เหมือนก่อนแล้วเพราะว่าเออรู้สึกว่ามันก็เป็นแค่าธาตุเห็นไหมมันเป็นปัญญาเพราะนั้นต้องมีสติเห็นาธาตุรู้าธาตุแต่ถ้าเราฟังอย่างเดียวแล้วไม่ไปทําความเพียรให้ให้รู้ความเป็นาธาตุของมันเนี่ยมันเดี๋ยวก็มันก็ลืมเพราะฉะนั้นต้องเพียรรู้บ่อยๆว่าอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาเช่นเมื่อกี้เวลามันป่วยใช่ไหมอ๋อธาตุความร้อนแล้วเวลามัน มันมันปวดจี่อะไรต่างๆหรือน้าเลือดน้ําหนองมันออกมาอ๋ออันนี้ก็ธาตุต้องพิณาบ่อยๆซ้ําๆๆจนกระทั่งว่ามันแจ่มแจ้งในความตื่นใจมันยอมรับได้อ่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้หลวงพ่อเหมือนกับผมมันค่อยปอกมันออกปอกไปทีละนิดทีละนิดเนี่ยอืมันมันถึงถ้าถ้าถ้าสิ่งที่สกิรญาิฐิ่นเนี่ยเปนสิ่งที่หุ้มอืสิ่งที่เป็นเห็นเห็นฉูเห็นจอบเนี่ยนะมันก็ค่อยๆปอกไปทีละนิดท่าหลวงพ่อน พ่อคุยเนี่ยมผมก็เออมันพูดขึ้นมาเออใช่ธาตุต่างๆไม่ใช่ตัวเราอันนี้ผมว่าเริ่มเริ่มเริ่มทีเล่นนิดละเริ่มปอกอ อ, ออตัวสัตวยาธิถีนี่มันจะเริ่มโดนก็แต่ยังนะหลวงพ่อผมยังอีกไกลก็ไม่เป็นไร<า>ก็อย่างน้อยก็ได้รู้จัก <laughs> ที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วแหละว่าอันเนี้จริงๆก็คือธาตุแต่ที่หลวงพ่อพูดมานี่ในมันยังเป็นแค่ส่วนกายอยู่นะเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องนามธรรมบ้างก็จะมีอีกธาตุหนึ่งที่มาผสมก็คือวิญญาณนธาตุเป็นธารู้ อ๋อเรื่องใจอ่าเป็นธาตุรู้คือมีความรู้ธาตุเนี้ยแต่เนื่องจากว่าธาตุรู้เนี้ยยังมีอวิชาอยู่ยังยังจริงๆอิงธาตุรู้ในบริสุทธิ์อยู่แล้วแหละแต่ว่าอวิชาเนี่ยมันยังมยังแขวงมันยังติดอยู่ยังเคลือบครอบงำอยู่ยังครอบอยู่ยังผสมมาแต่ทีนี้เมื่อมันมาผสมกับดินน้ำไฟลมเนี่ยมันก็ทำให้เป็นชีวิตขึ้นมาก็กลายเป็นมีขันห้าขึ้นมาอ๋อขันประกอบด้วยน้ำกับ ลูกกับนามสองอย่างใช่ <5. S 1> เพราะว่าไอ้แค่ดินน้ําไฟลมเนี่ยมันประกอบกันแค่ให้เป็นร่างกายเป็นรูปร่างกายเป็นร่างกายขอ๋อเพราะาร่างกายประกอบด้วยดินน้ําไฟลมก็คือมีครบหมดใช่ไหมในร่างกายนี่เนาะมีของแข็งก็มีของเหลวก็มีมีความอบอุ่นก็มีแล้วก็มี ม, มีลมเ อ, อ่ออากาศเ อ, อ้ยไม่ใช่มีธาตุลมเออมันก็มีฮะแต่ทีนี้มันมีอีกธาตุหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุรู้แต่ยังเป็นธาตุโลหที่ยังมีอวิชาติดมาด้วย พอธาตุรู้มาผสมปั๊บมันก็แปลสภาพกลายเป็นขันห้าเพราะฉะนั้นขันห้าเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็คือคือมันแปลสภาพมาแล้วมาเป็นขันห้าแต่ว่าถ้าโดยแท้ที่มาที่ไปคือยังเป็นธาตุอยู่เพราะธาตุนั้นไม่ได้หายไปไหนยังเป็นธาตุอยู่แต่ว่ามันมันเหมือนกับว่ามันมันผสมกันก็เลยเอ่อเป็นอันใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่ามะเขือบ้างเอ่อพริกบ้างกะทิบ้างน้ำตาลบ้างน้ำปลาบ้างผสมกันนะจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่พอมาผสมก็กลายเป็นแกงเขียวหวานไปเลยเนี้ย อืมท่านหลว่อเออแต่จริงๆที่มาที่ไปก็คือนั่นแหละพวกพริกพวกอมะนาวพวกอะไรที่ผสมกันแล้วแต่เนาะมันไม่ได้หายไปไหนยังอยู่เพราะฉะนั้นธาตุนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นขันธ์หน้าแต่ธาตุนี้ก็ยังมีอยู่แต่พอมันเปลี่ยนรูปทรงเปลี่ยนอะไรไปแค่นั้นเองอือ่าทีนี้พอเป็นวิญญาณธาตุเสร็จแล้ววิญญาณธาตุเป็นเราได้ไหมอ่ะเพราะเป็นธาตุตามธรรมชาติก็ <c oughs> ไม่เป็นธ <c oughs> าตุธาตุชนิดไหนอยู่ตรงไหนก็ไม่ ทีนี้พอมันมันมาผสมกันเป็นขันหา้าพอรู้ที่มาที่ไปแล้วเนี่ยว่ามันคือธาตุเพราะฉะนั้นขันห้าเป็นเราไหมอะทีเนี้ก็ไม่ใช่แล้วเออเนี่ยก็เอาปัญญาจากการฟังแล้วก็พิจารณาให้มันเริ่มค่อยๆเข้าใจถ้าไม่ฟังเลยปัญญามันมาจากไหนเนาะก็ไม่มีเพรา ะ, ะนั้นฟังแล้วก็เออเป็นปัญญาแล้วสุดท้ายก็คือฝึกรู้ฝึกเห็นให้มันแจ่มแจ้งเลยว่าเวลาอะไรเกิดขึ้นนะ่ะมันก็จะเรียกว่าแต่จะเรียกว่าสักแต่ว่าธาตุก็ได้หรือจะเรียกว่าศักแต่ว่า ขันห้าก็ได้หรือจะเรียกว่าสักแต่ว่าสังขารก็ได้เห็นไหมแล้วตัวอะไรมารู้ล่ะก็ตัวไอ้ตัวธาตุนี่แหละธาตุรู้เนี่ยมันรู้แต่เนื่องจากว่ามันมีอวิชชาเลยมันรู้อะไรมันยึดหมดเห็น <laughs> ไหมยึดขันห<อ>้ายึดรู้ยึดเวทนายึดเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้ที่ยังมีอวิชชาเพราะฉะนั้นเมื่อมันมาผสมเนี่ยมันยึดทุกสิง่งแหละธาตุรู้ก็คือใจใช่ไหมหลวงพ่<ต>ใจจะเกิดอยู่ตรงไหนก็เกิดอยู่ในแต่ละ พูดถึงพูตถึงถ้าพูดถึงันท่านะหลวงพ่อก็อยู่แต่ละทวารเนาะถ้าถ้ามันมีอะไรมากระทบตาเนี่ยใจมันเกิดขึ้นก็ตาเนาะหลวงพ่อที่ตาเออมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณเพราะว่าพอมีหูมีตาใช่ไหมแล้วก็กระทบกับสิ่งภายนอกก็เกิดวิญญาณทางตาทางหูอะไรขึ้นมาแต่วิญญาณเนี้ยก็จริงๆมันก็มาจากธาตุนั่นแหละธาตุรู้วิญญาณี่ธาตุเออแต่ธาตุรู้แต่พอมันเป็นขันท่าปั๊บมันกลายเป็นวิญญาณขันอ่ะมัน แค่ว่ามันจะทําหน้าที่รู้ต่อเมื่อสิ่งมากระทบกันแต่ตัววิญญาณเนี่ยที่มาวิญญาณธาตุที่มาที่ไปเนี่ยมันไม่ได้อาศัยหูตาจมูกลิ้นกายใจหรอกเพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันมีความรู้อยู่แล้วแต่ว่าเป็นความรู้ที่ยังมีอวิชชาแต่พอมาผสมกับดินน้ําไฟลมมันก็กลายเป็นสามารถรับรู้ทางหูทางตาทางอะไรได้เออมันก็เป็นอีกอันหนึ่งแต่ก็เกี่ยวข้องกับกับธาตุรู้นั่นแหละแต่มันเป็นอันนี้เป็นวิญญาณขันเป็นขันโอ้หลวงพ่อกล่าวนี่คือธาตุรู้นี่มี มีสิ่งที่เรียกอวิชชาปนอยู่ปนดิถ้าว่าไม่ปน ม, มันมั น, ม, นมันก็คงบริสุทธิ์แล้วก็คงไม่มากลับมาเป็นมีมีพบมี<อ>ชาติกลับาเป็นเด็กนี้หรอกเออมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นพุทธะเนี่ยที่ที่เอ่อที่เรว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะพุทธะองค์จริ ง, พ, ง, รงพระพุทธเจ้าคือธาตุรู้นะเนี่ยที่บริสุทธิ์อยู่เนี่ยอ๋อซึ่งบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรห่อ Drop. หุ้มแล้วก็เลยไม่ต้องมาผาสมกับให้มันเป็นเป็นนุ่นเป็นปนี่ก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอมตะที่มีอยู่ทุกคนทุ ปุถุชนคนธรรมดามันก็ต้องมีอวิชาปนอยู่ในธาตุรู้อยู่แล้วโอ้ปนอยู่แล้วแล้วมันก็มันก็ทุกทุกอย่างในโลกที่มันวุ่นวายทำไมไม่ปนหล่ะเนี่ยพ่พอเกิดมานายยมทําไมไม่ปนหล่ะพ่อพ่อเกิดมาเห็นไหมยึดทุกเรื่องเลยค่ะบใช่ครับรู้อะไรยึดหมดเลยเอ่อรูปก็รูปเป็นเรายึดหมดเลยเวทนาเป็นเรายึดหมดเลยยึดห้าขันยึดหมดเลยก็เป็นตัวกูของกูเมื่อไหร่ก็เออใใช่ใชเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละพอเมื่อนั้นก็จะ เหมือนกับเกิดผมไม่ได้ว่าผมวิพากหรือว่าไ ป, ไปไปไปอะไรนะไปไปกล่าวกล่าวร้ายเขานะอย่างดารานะที่แบบ <c oughs> กราบรถกูเนี่ย <c oughs> น่น้เลยไน้นเละ <c oughs> เพราะว่าตัวกูของกูมันพอนี่แหละมันเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นมา <c oughs> อะไรองนี้ยผมว่าคนที่ได้มาศึกษาเกี่ยวกับคําสอนของมหาบุรุษ <c oughs> และได้มีครูบาอาจารย์ที่มาขยายให้กล่าวทําให้เนี่ยนะอืให้เข้าใจง่ายถือว่า มีบุญนะอ่าทีนี้ทางของมันนะทางที่จะดับอวิชชาหรือว่าทางที่จะพ้นไปจากธาตุก็คือเรียกวรู้สึกตัวเพราะตัวคือธาตุใช่ไหมเมื่อรู้สึกตัวก็เอาเอาเอาธาตุรู้เนี่ยธาตุที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยให้มันรู้จนรู้ว่าไอไอตัวเนี่ยไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ธาตุรู้มันก็แยกออกมาได้เออแล้วก็ธาตุรู้มันรู้จักตัวมันดีว่ามันก็คือธาตุรู้ที่ที่เป็นธาตุตามธรรมชาติมีหน้าที่รู้ แต่ถ้าดินท้าน้นถ้าไฟถ้าลงมันไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นมันแยกตัวมาเป็นว่ามันอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรมันก็จึงหลุดมาจากสิ่งที่มันรู้มันหลุดคือมันไม่ยึดแล้วเพราะมันรู้มันรู้จักตัวมันดีแล้วว่ามันอ่ะเป็นธาตุรู้มันอ่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นดินน้ำไม่เป็นลมไม่ได้เป็นไฟไม่ได้เป็นอากาศไม่ได้เป็นอะไรเลยอาการที่ไม่ได้เป็นอะไรนั่นแหละก็คือสิ้นยึด ก็ทิ้นยึดก็คือธาตุรู้มันไม่เคยยึดอะไรมาตั้งแต่ไหนแล้วแต่เนื่องจากมีอวิชามันก็เลยเป็นยึดเป็นตัวเป็นตนพอตอนเนี้ยปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าก็เลยดับอวิชาเสียะได้ก็เหลือแต่ธาตุรู้ไม่มีอะไรห่อหุ้มจึงไม่ยึดอะไรก็เป็นนิพพานเข้านิพพานไปเลยเป็นนิพพานนิพพานธาตุไปเลยเอาคุยเรื่องนี้แล้วมันจะยาวเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวแล้วก็จะรู้จกักธาตุหมดเพราะตัวก็คือธาตุเพราะมันจะยาวแต่ว่า เรมต้นก็ไปผัดฝืนฝืนตัวเองก่อนนะไม่ใช่ผู้ใหม่นะหลวงพ่อนะฝืนฝืนได้ก่อนตัวก่อนฝืนตัวเองก่อนจะโทรสั์ดังมาก็ว่าต้องรีบรับใช่ใช่ยั้งยั้งไว้ก่อนเด้อยั้งยั้ไว้ก่อนดูจิตดูใจก่อนว่ามันยังไงใช่เหมือนผมอ่ะเวลาอยากจะคุยกับหลวงพ่อก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึงยั้งยั้งขัดใจก่อนขัดใจก่อน <im ittle> อดใจมดผมยังเป็นผู้ไปอยู่ครับ <bathroom. S 1> <ắng S 2> สาธุออครับขอบคุณครับพํานาจโอ้พีิมนาถามทําให้เราได้ฟ <im itt les> ังข้อธรรมขยายพอดีผมนึกอยู่เรื่องหนึง่งอันนี้อดใจไม่ไหวจริงๆต้องขอแจมด้วยนะครับ <im itt les> คือ <im itt les> ม, มันเหมือนมันมีผมได้ยินครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นตําราก็จําไม่ได้นะครับคือท่านบอกว่าคนนอกาศาสนาอันนี้ท่านคงหมายถึงพวกธรรมนะครับว่า เหมือนกับว่าที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยเขายังพอเห็นได้ว่าว่ากายไม่ใช่เราอันประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าที่เขาติดคือเขาไปยึดว่าจิตเนี่ยหรือไอตัวอาจจะเป็นผู้รู้อะไรก็ตามเนี่ยว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยจะมีเยอะแยะมากมายที่เข้าฌานถึงขั้นอรูปอันรูปก็แปลว่ากายเ้าทิ้งไปแล้วถูกไหมฮมันเหลือแต่จิตแล้วอย่างนี้ครับก็แต่ว่าเขาก็ยังไม่หยุดพ้นแล้วทีนี้ ที่พระพุทธเจ้าพอท่านไปให้คําสอนเรื่องอนัตตานิดเดียวเนี่ยมันเหมือนไปสกิดไปเขียแล้วอทางโยคีพวกนี้ที่เป็นฤาษีพวกนี้ก็หลุดพ้นกันเป็นแถวซึ่งมันก็เลยผมว่ามันเป็นความโชคดีของพวกเราด้วยนะครับที่ยังได้ยินได้ฟังคําสอนเรื่องอนัตตาพริงแต่ว่าไอจะเห็นถึงขั้นละได้แค่ไหนเนี่ยก็คงอยู่ที่เออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับแต่ผมก็จะ พยายามเมืนนะครับก็จะน้อมน้อมเอาคําสอนเรื่องอนัตตาเนี่ยมามามามาสู่เรียกว่าอะไรดีสู่ใจบ่อยๆนะครับที่ทั้งที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะมีผมว่าพอรู้สึกตัวผมของผมที่เคยเรียนหลวงพ่อไปว่าผมพอรู้สึกตัวเป็นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปยึดว่าเราเป็นผู้รู้สึกอนะครับตอนนี้ก็เลยต้องมาแก้ว่าโอเคเก็จะพยายามทําให้เห็นว่า ผูรู้สึกตัวเนี้ยมันก็ ม, นกมันก็ไม่ใช่เราแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจนะครับก็จะพยายามครับผมก็ขอบพระคุณครับโอ้ขอบคุณคุณคุณพพรคุณสวงมากเลยเพราะว่าผมเคยไปสนทนากับพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งนะท่านก็ศึกษาแต่อยู่ดอกมาโอเรียกว่าก็เรียกว่ า, วาท่านแม่นนะครับคุยไปคุยสนทนากันท่านก็กล่าวเรื่องเนี้ครับว่าจริงๆโยคีในอินเดียนี่มีประมาณเจ็ดแปดพันปีมาแล้วนะครับ แล้วก็เนี่ยนะอย่างอย่างคุณคุณนพพลัชพูดเนี่ยก็คือจริงจริงท่านก็มีความปรรณนาที่เราเอ่อกล่าวให้ฟะให้ผมฟังว่าเหมือนเหมือนที่คุณนพนพพลัชทราบนี่แหละคือลักษณะสามเนี่ยทั้งทั้งโยคีนี่เขาเขาเขารู้นะอันนี้จังทุกขังนี่เขารู้นะครับเขารู้เขารู้กันดีเลยเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนที่คุณนพพลัชพูดคุณทรงพูดะแต่เขาขาดอย่างหนึ่งคืออนัตตาทําให้เขาไม่เอ็นไรเช่น่ย นั่นแหละครับแล้วก็เป็นที่ผมไปเหมือนกันเลยครับก็คอนเฟิร์มเลยว่าเพราะเนื่องจากว่าเขานนองเวลาเขาเขาาพวกม e ดิเทชันเนี่ยพวกพวกพวกโยคีนี่เขาเก่งมากนะครับผมเคยไปเคยไปดูใน YouTube มีคนหนึ่งเขาเขาเเขานั่งนั่งไปประมาณยี่ยี่สิบห้าทีแต่เขาหารู้ไหมว่าเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมีคนเข้ามากราบไหว้แล้วขอให้เขารักษาโรคเพราะว่าเขานั่งอยู่บนโขดหินนะสิบสี่วันสิบสี่วันนะครับ อันนี้เรื่องเรื่องนี้มีไปไปดูใน youtube ได้ผมว่าพวกพวกโยคีนี้เขาก็จะแบบแก่งกล้าเหมอือนกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาไม่ไม่ไม่ไม่บรรลุ ก, ก็คือเขายังดิบอยู่ในตัวตนเนี่ยผมว่าเออเรื่องที่เราที่หลวงพ่อต้องหลวงพ่อมีความกอนดูาเนาะใช้หลวงพ่อแบบว่าโอ้โหแบบสลัเวลามามามามาเรียกว่ามากล่าวทําส่วนที่ สำคัญมากๆเลยสำหรับผมนะคืออนัตตานอนเซลเนี่ยครับครับก็ประมาณนี้นะครับก็นิตาชี้บอกก็ผู้พูดเนาะก็อนัตตาคือมันเป็นสังขารนะั่นแหละประกอบด้วยดินน้ำไฟลมนนอะเนาะคือให้รู้ตรงเนี้ย อ, อย่ารู้อะไรมาผู้รู้ก็เป็นอนัตตาหมดเลยที่ผู้รู้ที่พูดได้เนี่ยนะเนี่ยที่ รู้แค่ไหนก็คือตายหมดอ่ะการหน้าตาหมดคือเกิดดับหมดเลยเพราะนั้นให้รู้สิ่งพวกนี้แล้วก็ละวางหมดเลยรู้จักแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือมเมื่อไหร่ก็คือพ้นทุกข์แค่นั้นก็ค่อยๆนะค่อยๆไป แต่ต้องทําความเพียรหน่อยนะเพราะว่าอายุมันก็มากไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะตายวันพรุ่งวันไหนอยู่นี่โ <c oughs> ดวยที่ว่าผมครับผมอีกปีนึงก็หกสิบแล้วค ร, รับหลวงพ่อเออเนี่ยเนี่มันใกล้ใกล้ขว้งใกล้ทุกทีแล้วไม่ว่าใครอืมบางทีอ่าหนุ่มๆสาวๆ ก, ก็ก็คือไม่รู้อ่าตายวันไหนนะอืเพราะนั้นก็เร่งทําความเพียรในการที่จะให้เกิดปัญญาในทางเรื่องธรรมะเนี่ยเพื่อจะละปล่อยวางก่อนที่มันจะดับขันไปอ่ะอโอนิดนึงนะหลวงพ่อพอพูดถึงตรงนี้นะผมก็ คือส่วนตัวผมผมก็อ ม, มีมีเรื่องหนึ่งที่เก็คือเนี่ยครับไม่มีใครเออยู่ค้าฟ้าเนาะฉะนั้นมันก็จะมีสภาวะที่ว่าจุติจิตกับปฏิสนธิจิตนะส่วนนั้นแหละครับที่เขาไม่รู้นะครับของเพราะว่านะนะนะจุดนั้นของของเวลาเนาะว่าว่ า, วาจุติจิตเนี่ยมันจะเป็นกุศลหรืออกุศลคือเกิดขึ้นกับผมแต่ความความที่เรามา รู้ในสิ่งเนี้ยนะในฝึกที่ผมฝึกเรอเดี๋ยวว่าปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ในใจก็หวังไว่นะนนาโมเม น, นั้นนะก็ขอเป็นกุศลแล้วกั น, กนครับหลวงพ่หลวงพ่อครับมีคำถามทิ้งท้ายก่อนหลวงพ่ออาจะไปจำวัดนะครับ อ, อันนี้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเ ม, มื่อเช้าผมอาจจะหมกมุ่นคุ้นคิดปรงแต่งเรื่องนี้อยู่นะครับคือพอฟังหลวงพ่อแล้วเนี่ยจริงๆมันมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่เขากพูดสภาวะ เดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการท่านจะจะต่างกันนิดนึงในรายละเอียดผมไม่ลงแล้วกันเพียงแต่วําถามเนี่ยผมสงสัยว่าการในการวางความเป็นตัวเราเนี่ยมันมันอาจจะมีสองสองวิธีนะครับคือค่อยๆวางจากกายมาก่อนเหมือนอย่างคนที่พวกที่เขาเจริญอ่ะสุขะเหมือนแต่ว่าจนกระทั่งมาถึงจิตก็มาวางจิตอีกทีหนึง่งหรือว่าเราจะมุ่งตรงมาวางจิตอย่างเดียวแล้วมันจะคือคือความสงสัยที่ยัง เจอวิชาของผมก็คือถ้าเรามุ่งตรงมาวางจิตได้เนี่ยอกายมันจะมันจําเป็นจะต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับหรือว่าหรือว่าเราจะมามุ่งตรงว่าอาจจะเป็นคําถามด้วยด้วยความสงสัยที่แบบยังง่โง่อยู่นะครับเพียงแต่ว่าสงสัยว่ามันมันจะต้องมีลําดับในการวางไปไหมหรือว่าเราสามารถที่จะเ อ, อวางจิตต้มเดียวแล้วเหมือนพวกเซนที่เขาซาโตริอะไรได้เลยนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ แต่ละคนนิคซึ่งแต่ละคนอาจจะเอมีเส้นทางที่ไม่เหมือนกั น, นบางคนต้องเป็นไปตามสเต็ปบางคนก็สามารถที่จะรู้แบบฉับพลันทันทีได้เลยครับพ่อแล้วก็อยู่ที่ระดับปัญญาของของแต่ละคนนะเราะว่าเขาสามารถที่จะวางได้ในขั้นไหนถ้าสมมติว่าเขาตอนเนี้ยปัญญาเขาเนี่ยมีปัญญาแค่ระดับว่าเออเห็นร่างกายเนอะร่างกายเป็นสิ่งถูกเห็นแล้วก็ละปล่อยวาง ถ้าเขาทําได้แค่นี้ก็ให้ทําตรงนั้นไปก่อนแต่ถ้าต่อมามันมีการพัฒนาขึ้นมาว่าเอ้าสามารถที่จะเห็นจิตแล้วก็ปล่อยวางจิตก็คือก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเลยก็คือวางจิตอย่างเดียวเมื่อวางจิตก็คือมันก็จะวางหมดอ่นะเนาะแต่วางจิตอย่างนี้มันก็ต้องมองอีกเลย ว, ว่าพอเป็นปัญญานะสูงว่าความรู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มีปัญญาถึงวางจิตแล้วเราวางจิตได้แล้วต่อไปก็ต้องวางผู้วางอีกทีหนึ่ง ก็แล้วแต่ว่าปัญญามันอยู่ในขั้นไหนนะอย่างเนี้ยที่เราคุยกันเนี่ยอย่างโยมทั้งหลายเนี่ยที่ฟังเนี่ยเข้าใจในขั้นไหนละ่ะก็วางในขั้นนั้นเลยลองลองเอาขั้นนั้นไปก่อนแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวมันก็จะรู้เองว่าอ๋อมันยังอีกยังมีอี ก, ย, อกยังมีอีกที่ยังไม่วางอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยๆวางเอาแต่ทีนี้ถ้าควังหลวงพ่อเข้าใจนะหลวงพ่อวางทีเดียวเลยรุบเลยพอรู้ตัวว่าวางหมดตัวเลยแต่การวางไม่ใช่ว่าเราไปวางแต่มันเป็นปัญญา ที่เข้าใจว่าพอรู้ตัวปั๊บคือมันมันมันหลุดเลยอะ่ะมันไม่ไม่นั่นเลยอันนี้มันปัญญาของคนไม่เท่ากันก็เลือกใช้เอาตามเนาะตามที่มีปัญญาทําได้แต่วันนี้เดี๋ยวนิดนึงคือหัวข้อเนี่ยวันนี้หลวงพ่อตั้งขึ้นว่าไม่เห็นจึงเป็นนะให้เติมเอาเลยว่าไม่อะไรที่จุดจุดอะเติมเอาเลยถ้าไม่เห็นสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นแหละค่ะนะเช่นไม่เห็นทุก จึงเป็นทุกข์ไม่เห็นสุขจึงเป็นสุขคือถ้าไม่เห็นตัวก็เป็นตัวเนาะเติมได้เลยแล้วก็อนะเป็นข้อข้อคิดสติเกอนใจคือถ้าไม่เห็นสิ่งใดมันก็ขับเป็นสิ่งนั้นหมดเลยเนี่ยคนที่เป็นทุกข์เป็นสุขก็เพราะอะไรก็เพราะไม่เห็นนะก็เลยยึดถืออืแต่ถ้าเห็นก็พ้นออกไปไม่ต้องเป็นง่ายๆ